แปดไม่ถึงสิบแถวอ่าพร้อมกันอ่าเอ่อกันเลยพิธีเลยมี น, นาพร้อมกันเลย สักขันมจารติงนิมมัจจเตวสังธรรมะเทวะรุ ฟ้าเป็นส เย็นโฆวะสมปดาสิเรณ น, นิฟุติงยันติตัสมาชื่อลังไว้โททะเยเย็นบทษว่าจะมีส่วนต่ออายุ ด, ด้วยปกติต่ออายุก็ช่วงระยะสุดท้ายแต่เรนานี้วันนี้ข้างนี้คราวนี้ปีนี้ผมกูก็ไม่ได้มาช่วงระยะสุดท้า ย, ยมา เปิดต้นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นทําไว้เปิดต้นไว้ก่อนปกองจะไม่เป็นไรก็จะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอา ร, ราตนธรรมแล้วก็พันอนราบลงไปท่าเตรียมพร้อมหรือยัง อ, า อ, างอ่าเตรียมพร้อมหรออารัตนธรรมผมมาก็ได้ พระมาจโรกาทิปติสหมปติปัตังภริอันภิวรังอายาภาสัมติธาสัตตาปะระชาชาติกาเทเสตุธามังนุรมพิมังปะชังอืมอามพาองเมิร์ลากลงแสดงความถงอมตางคนตราู้ตนเอง ให้ตนเองให้เ hmm. ข okay. mm ้าสมาธิให้เข้าสมาธิ ฐานิตสมาธิฝันนอนสี่หัดสายญาติดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยาให้เป็นสิริให้เป็นมงคลเราอยู่ในความสงบสงบกายเงียบสงบวาจาไม่พูดไม่จาสงบจิตใจให้จิตใจไปดูจุดที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก สงตัมหกตัมไกทังหมดอันดายังุทัสสะภะคะวะโตปุตตภามมาครา ยาวาติภานังสาะ เส็บผ้ามาหนุนเปนแน่นเดินหน้าข้องหน้าเส็บผ้ามาขุ่โกถุงมาจจะค้อนอ๋อถุงงานเมื่อไรล่ะว่างานโกถุงเมื่อไร บะงานวัดป่ารังกมีคือกันเอ้วันที่สิบหกาโอ้กพาราสหกพาราวางไว้ตรงนั้น ตัทางตรวจถอดตรวดถอนตรวจโลคภัยให้เสร็จมาเสร็จไปแล้วอันดับต่อไปก็เข้ามาสู่ที่ที่ใหญ่คืออฏิบัติธรรมคือว่าทาบุญพวเคุงควบของต่างๆตั้งแต่ตรงจ้าเราก็ทำกัําทาง ตอนนี้ก็สิ้นล้าก็มากลับไปแล้วปัิญาณตนจะปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งสิ้นสูงสุดสำหรับกระวาชาสิงก็คือสิ้นแฝดเราก็รับไปเรื่อยทฐานสิ้นบุญดับต่อไปก็คือทำบุญยกมือขึ้นใส่ศีรษะแล้วก็วางมือลงบนตัก มือใต้วางบนตักมือขัวาประทับมือใต้ทำตัวตรงๆหลักตาเบาๆจิตมือใต้ขัวจิตตาสองข้างิตปากเสียบ้าแล้วนั่งดูบุญถ้ามีโทรศัพท์กให้ปิดเอาไว้ก็มันจะทำให้จิตของเราไม่นิ่งถ้ามีเสียงมานลูกควนไม่เจาะกันทำสมาธิ ต้องใช้ความสงบต้องใช้ความสงบไม่มากสงบภายนอกดูเสียงกลิ่นรสต่างๆสงบภายในที่ใจของเราไม่คิดพุ้งสร้างไปไหนคิดอย่างเดียวมาจับที่ลมเดียวว่าอานาปานุสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้ดูยาวๆลมเข้าเรายาวๆลมออกยาว ติดติดับับ สามที่พวกเราเคยทำมาโดยเฉพาะภาคทีิบัติจ่พานั่งหรือไม่พานั่งแล้วก็รีบกรอบโกยรีบเล่นทำเอาโดยเฉพาะเรามาจากสถานที่ไกลๆโดนดักโดนจออยู่มาตราฐานดุจตรมนี้ข อ, องมันจะเอาว่าที่นี่ก็มาจากตกัวสุง สภาิบดีชาติทำมาหลารปีมาแล้วโดยเฉพาะในนามที่ว่าวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในว่าวันพ่อพ่อของประเทศชาติงานทางประเทศชาติงานฝ่ายสาชการสถาบานก็ได้มีกำหนดกฎเกณฑให้ประชาชนประสงค์กรของพระองค์ท่านถุกการบิดาเราลุกมื่ถึง ไม่ขาดไม่เพ่งโดยเฉพาะทางรัฐธิศาสนาจะมีคนยิ่งมาเพิ่มข้พอปฏิบัติเพิ่มบ้างก็ไปดีในผู้ที่สนใจภาคปฏิบัติในปฏิบัติต่อต้านอาวันบ้านอาทิถึงว่าแบบนี้เป็นการเตือนจิตเตือนใ จ, ใจของพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะภาคปฏิบัติทางพรุทธศาสนานได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ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 หาจึงหาทำมาโปรดสัตวโลกอิดโสมนุษย์เป็ตีลาโลการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นราเป็นเกษตรติดขังพุทธะมุปาดังการได้เกิดมาพบทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นราเป็นเกษตรในฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติทำสามคำสั่งของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเราทำหนึ่งนาทีแล้วก็มีคนาุขหนึ่งนาที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 สี่เซฟลารวาช่าโจงจะจะทำหนึ่งนาทีสองนาทีหรือห้าวันเจ็ดวันหนึ่งนี้ก็จะทำไม่ได้ถ้าคิดแล้วน่าสลดไหมหน่าเสียอกเสยใจไหมถ้าหากเราไม่ได้ทำสุดนี้เคยเตือนให้เข้าถึงใจอยู่แล้วกว่าพลรรังจิตตั้งธรรมชาติใจทุกัวงยังสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดธรรมชาติของใจมันใส ไม่มีร่างกายมันใสสะอาจสะัดตะลังจิจตังแต่ว่าเป็นสะพัดสอนคือใสสะอาดที่มันจิตใจสกระปกเพราะมีร่างกายขันขานร่างกายทาให้ใจคนเราสงกระป๋อดูดีถ้าเราไม่มาปฏิบัติจุดนี้ไม่ปฏิบัติจุดที่พระพุทธเจ้าสอนบุญทำบุญทำบุญถ้าเราไม่ทําจุดนี้ไม่เห็นจุดนี้ไม่ดูจุดนี้ไม่เห็นบุญจุดนี้ เราคุกคีอยู่กับเมืองนรกรู้จักเมืองนรกไหมถ้าเห็นบุญแล้วก็เห็นนรกผู้บุญแล้วเราก็รู้ว่านรกคืออะไรนรกคือร่ำรวยนรกคือสวยงามเอาธรรมะก็ไปแฝดูนะไม่ใช่เอาสัญญาแบบโลภิยะไปแปดโลภียะไปแปดก็ว่าสัญญากันรวยสัญญาสวยงามร่ำรวยมีความสุขสวยงามมีความสุข นันไม่มีความถูกถ้าเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วร่ำรวยก็มีแต่ความทุกมันเป็นนรกมันเป็นนรกสวยงานก็เป็นนรกวัาคนมายึกมาถือมารักมาหลงมีคักกคัวแล้วหึงกันหวงกันทะเลาะกนันเป็นนรกไหมร่ำรวยมาแล้วเขาไม่ยืมเขาไม่ยืมแล้วไม่เอามารงคืน ยิงกันฆ่ากันป้องร่องกันเป็นนรกไหมหนังพระเจ้าพระสงเห็นจุดนี้จึงไม่อยากจะยุ่งเรื่องนกรกะดูแต่สวรรค์ดูแต่พระนิพพานดูแต่บุญทำแต่บุญบ ย, ยังไม่หยิบอกหยินใจทำสวรรค์วันจะทำบุญยังรุ่งยังไม่หยิบอกหยินใจอยู่ไม่ใช่ของง่าย เพราะฉะนั้นเราจะมาทําเป็นทั่วระยะ น, นี้จะทําไม่ได้แต่ว่าทําไรจะเป็นคนมาได้ทย่างไรสมควรที่จะเป็นคนอยู่ไหมเตื่อนตนเองบอกตนเองย้าหัวใจของเรานั่นแหละเราเกิดมาทั้งดีจะทําดีไม่ได้หรือรู้จักไหมคำว่าทําดีทําดีคือไม่เปิดร้อนตนเองและคนอื่น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 ถ้าเห็นภูเนศสวรรค์แล้วก็รู้ว่านรกมันเป็ น, นยังไงสวรรค์มันเป็ น, นยังไงจึงมาย่ำแล้วย่ำอีกเสื่อแล้วเสื่ออีกบอกแล้วบอกอีกว่าให้ทำบุญทำบุญเราจะบูทิศให้โดยเฉพาะวานันสำคัญของกบฏสลเด็ดเราะจะอยู่หัวหรือวันของคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราก็เหมืองงนกันเราต้องมีบุญอุทิศไปให้ให ถ้าจิตใจตกทุกระยะทังบาปอยู่ที่ไหนเราก็เพิ่มบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติแล้วนี้ช่วยก็เหมือนทางโลกนลั่นแหละญาติพี่น้องเป็นโทษอยู่ในเรือนจำจะถิงเรือนจำจะเข้าเรือนจำเราก็ต้องมีจิตสุปฏัยเงินทอนไปชไ่ไปถอนไปช่วยเหลือถ้าหากไม่หนักที่สุดก็ช่วยเหลือมาได้ถ้าหากําหนักที่สุดช่วยไม่ได้ทหารอย่างเดียว สันใดก็เหมือนกันเรื่องทรัพย์ไปในอดีญาซับอยู่ในหัวใจก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกินย่ำแล้วย่ำอี่ว่าให้เน้นหนักภาคปฏิบัติภาคําบูรทํามบูรณมันไม่ได้คือควรที่จะทําไหมอาหารใจถ้ามีลมปใจรู้ได้ถ้าไม่มีลมใจอยู่ไม่ได้เพราะใจอาศัยลมเท่า น, านั้นแต่ทําไมจะดูไม่ได้ ถามเข้าไปในหัวใจของเราให้ตื่นให้รู้ให้ตื่นปลุกใจของเราให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานใจของเราเมื่อมองส่องมองเพราะไม่ห่วงสังขารร่างกายเกิดมาแล้วไม่อยากไม่เท้าไม่ให่อยากไม่แก่ไม่อยากไม่เจ็บไม่อยากให้ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้จะเป็นฝืนความจริงฝืนคําคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไง พระพุทธเจ้าโคตยังไงก็เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าโคตแต่เรื่องจริงสังฐานร่า ง, างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายผู้ญาตตายายของเราไปไหนแล้วไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยร่ํำรวยไปด้วยได้ไหมสวยงามาไปด้วยได้ไหมถามก็ไปหัวใจหัวใจของเรารู้ให้หัวใจของเราเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา คำว่าพุทธแปลว่าอะไรคำพุทธเจ้าแปลว่าอะไรคำพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบานทําให้หัวใจของเรารู้ตือนเบิกบานรู้อะไรรู้แกล้งรอโลกวิถีคำพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แกล้งรอกเห็นความเป็นอยู่ของโลกมันวุ่นวาย หัวใจของเราเห็นแต่ในโลกนี้มันสนุกเหลือทําไมถึงไม่พิถีพิถันทำไมถึงไม่กระตือรือร้นอากรีบหนีจากความวุ่นวายนก็เพราะเราไม่พิถีพิถันกระตือรือร้นสอนใจของเราให้เป็นตุกติจเจ้าขึ้นมามีแต่สอนให้เป็นผูกตุชนให้เกิดเจริญลั ก, ลกปล่อกอดหลงนะตัวใจใจตัวนี้แหละตัวรักตัวโลกนี่แหละมาจากไหนความรัก คนรอกมาจากไหนรู้ไหมทหําไมใจของเราไม่มีคน ร, รู้บ้างว่ารักมันวุ่นวายรอกมันวุ่นวายเห็นแต่รักลารวยดีใจสุกขใจสวยงามสุกขใจลารวยทูกใจอย่างนั้นเหรอถึงนตุพูตได้เจ้าจะใหหัวใจไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานแปกความนี้ออกมาให้ใจของเราเป็นตุภูตได้เจ้าให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบาน เบิกบานในคุณฉินค like ุณธรรมไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือด้อนถ้าลูกทงโลกโคกมันเดือดร้อนจะมีความเบิกบานตรงไหนหรอทาให้ลัเอียนะถ้าไม่ละศเอียจริงๆเหรอเห็นอะไรแหละเสือหลักก็้ามาแล้วนั่งแยกย้ายกันไปดูหรือเฉพาะสถานที่กว้างขวางอย่างนี้ เลือกเอาสถานที่ตรงใดตรงใดก็ไ <ma> ด้ในป่าลึกเลยกางวอกกมมาหมุนถึงเวลาตรวจมูลออกมาหรือบอกหมูบอพวกาฉันจะไม่ออกไปนะพรุงนี้เ้าฉินจะออกไปทั้งเดียวก็าบอกหมูเขาไสิจอยากจะเห็นสวรนค์จะเห็นรนิพพานพระนิพพบนเไม่หาอยู่ในฝ่าลึก หาที่ปุติปัสสัตว์รับันเป็นไปไม่ได้เราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อได้จัสุรู้อยู่ในปุตติหลุหลาขุนเบืยอสะดวกสบายไปจัตรู้ที่ป่าที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากล้ำบนนะคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมอ่นเข้าใจไหมทำตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่จะมาติดสนุกสุขสบายอยู่ในปุตติวิหารโกอ้โข่เก๋ๆหลุ่หลาๆขึ้นไปแต่ความประมาท เดี๋ยวก่อนวัดดูก่อนเสื่อมเจ้าไหมหมอนมันนุ่มไหมนั่นเรือสมาธิมีแต่นอนสมาธิคำพูดที่เจ้าไม่ใช่ในแต่ตรูปเพราะการนอนสมาธิในแต่ตรูปเพราะการนั่งสมาธิอยู่ในป่าห่างจากผู้คอนอยู่พระองค์เดียวนั่นทำไมเราถึงไปกลักวนุ่นกลวนี่ละ่ะถ้ากลัวนุ่นกลัวนี่ก็แปลว่ากลัวที่จะเห็นสวรรค์ กัวจะเห็นปฏิพันก็นั่นแหละครับเกิดกลัวอยู่ในสังขารร่างกายมันจะไปกลัวอะไรสังขารร่างกายมันกลัวไม่แฟนมันจะกลัวอะไรครับไม่มีลมไม่มีใจเลรอเผาลงไปปูยยาสะยายนวดอะไรเป็นกระถูกเผาทิ้งหมดไปแล้วทับผมแผ่นดินไปหมดแล้วอตัวเราก็จะเหมือนกันละน่ะเมื่อกี้เขไปเต้ก็จะไปห่วงอะไรกลัวหน้นกลัวนี่ ถ้าไปกลัวกับกลัวสวรรค์กลัวเห็นสวรรค์กลัวเห็นปฏิพานธก็ว่าจยางนั้นแหละความเหตุผลความจริงมันเป็นองั้นแหละจะกลัวอะไรตัวกลัวกิเลสอยู่ในหัวใจเห็นไหมไม่มีโลกับวิถูไม่รู้แก้งโลกจนจุดท้ายกลัวกลัวกลัวที่โผล่ก้อนเด่นอยู่อย่งนั้นผ่านร่างกายไม่กลัวไม่เป็นหรอกแต่กิเลสอยู่ในหัวใจกลัวนะ ไดทิ้งเถอยมีแต่ชื่อจะไปกลัวอะไรใจมันใจมันตายไม่เป็นะมันไปเป็นกิเลแสแฝงอยู่ในนั่นแหละมันสร้างสร้านสร้างสาธาตสวจะได้หัวใจคนนะไม่อยากทำลายหรือกิเลสแฝงไว้ทําไมห่วงไว้ทําไมเอาคิดในละเอียดนะพากันเน้นหนักผงกับที่เราเสียตละมาปฏิจจปฏิยานตนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะมีต้นเหตุสาเหตุจากพระเจ้าพระสงฆ์พาาระวาจาในกำหนดโปรแกนไว้ถึงวันนั้นวันนั้นเรามาประจําทุกปีทุกปีได้อะไรที่ผ่านมาเราทําจริงหรือทําเล่นก็ถามถึงหัวใจของเราแั่นแหละทําคําตรัอของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กุกขกตาที่จะมาเล่นจอกจกแกะกะทําจริงเห็นจริงพ้นโลกได้จริงต้องเชื่อจุดนี้ทีถ้าเชื่อจุดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหา นะถ้าเข้าถึงสินรทำของคนเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือนั่นใจเป็นสมาธิปัญญาใจมีสมาธิใจเกิดปัญญาวัมรอบรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเข้าใจไหมเห็ปัญญาจะมีเพราะเราไปทําแสวงหาตามปนต้นไม่ไม่ได้แสวงหาที่พุธตธิ ในบ้านในช่องอะไรโกกแด้หลาหรอมีป่าสมเถไปน่ไปกลัวอะไรฮะให้เน้นหนักให้เชื่อจุดนี้จุดพระเจ้าพระตัตทรูพระองค์เดียวอยู่ในป่าลึกแค่ไหนไปดูเอาเถอะประวัติของขุนเจ้าเพื้องหน้าสมบูรล์สนองตนยะโยงทุกหลานยศติณณ์น้องสละทั้งพระเจ้าพระสงฆ์มารวมกันสแสดงออกพึ่งตัวผอมรองสมานสาวนงชีหน้ามือเดียวกันมารวมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระพุทธ พุทธบูธาธรรมบูชา ส, สังฆบูชาในจิตใจของเรามีความสว่างไสวในสิ่งธรรมของกุศลเจ้าเป็นบุญกุศลอันดับหนึ่งบุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประธทรมคุณประสงสิ่งสกิร์ตต่างหลายในสาขาโลกนี้ก็จะมารวมกันตรงปกป้องปก ป, ก ป, กปกออกักษ์ภาษาอบตนและโยมตลอดทั้งพระเจ้าประสง มีแต so ่ความสุขความเจริญทุขกายสุกใจปาตนาสิ่งึ่งใดก่อจงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความตั้งอกตั้งใจสมดังความปาตตนาลงทุกสิ่งทุกประการเถอด สิตังปิตาังตุมังเจะเมวทะเมจาตุสัพเพปุริยันตุสังถะดันโทปะนราโตยทามะนิโจจราโตยทาตัพพิติโยวิวัชชะโตทัพโรโควินาจตุมาเจภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวะทับิวาตนะสีริสนิจังุทธาปิจยโนจัตตารตมะวัชชต อายุวันโอสุขังภะลาที่ผู้ใดพ่ากันดูล่ะอยากคอยทำคอยพ่าก็เจ้ามีกำหนดเวลาใดเหตุยังเหตุยังก็ททำไปตามที่ว่างโปรแกรมว่างโครงการเอาไว้แล้วนี่ก็จะไปตามภะละนาทีไปก่อน อยู่ตะวันเขาเราแตหลายระระว่านอกกว่าลูกปีบ่าได้ขาดในทางอื่นนั่นทางทุ้นเขาตกสนุกสนใจพาคปฏิบัติทางอินโดนีเซียเขาก็มีสถานที่ได้ปฏิบัติจักให้ครูบาอาจารย์มาปีละหนึ่งครั้งบ้างครั้งนึงวันสองวันก็จะได้ประโยชน์บ้างเพรว่าจย่างนั้นว่าะส่วนมากจากที่เราเห็นและพูดกันอยู่นั่นแหละหเจ้าพระสงค์พาสแนะนําสั่งสอนพาส ทำบุญโดยตรงๆอาญาที่จะสอนทำบุญทางอ้อมดูจะทา อ, อกก้อมว่าะภาษาอีสานว่าเน่าเตั้เาางเวอเหงื่วไมิมติคำเมืตะพัวา ก, กว่ามิตรซาทำทาทางทังเบร์เป็นตั้งแต่ขัวปากว่าคือหยั่งถามใจองเฮ า, าทึงคือหยังคือ้งอางเห็นเรื่องสั้นแล้วที่ทำท่าทางศาสนา ถ้าทำจะบวชอะไรก็แฮงมีพระหอแล้วศพครบงานแต่อ hmm. ีกพวกหนึ่งไม่ให้แฮงจะให้มหอแล้วศพครบงานเผด็จทำนั่นถ้าเรื่องของกิเลตเป็นยังไงล่ะเรารู้จักกิเลตไหมเอาทางไหนถูกต้องทางไหนมีพัวกว่าทางไหนบ่มเย็นผัวกกว่าทางไหนทั้งเวอร์ทางไหนทังตรงงูจับวั ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรหรอกเขาพาต้องมาเขาพาต้องมาขอให้สนุกใจก็พอแล้วน่ะเห็นไหมล่ะเดี๋ยเวลาเปล่าล่งะงั้นพัวมากว่าเปล่าข้าคำทางบ่จีไปหอดใส่บ่โอ <c oughs> ไม่มีปัญหาอย่างบ่ ไม่มีอะไรนะนเนาะช่วงก็ไมีมอะไรจะถามแล้วาภาคปฏิบัติเ น, นนะ้นหนักภาคปฏิบัติโวมสารจะเป็นมุ่งพา ม, มุงคณะพวกยมไม่รู้กี่คนการมาหน้าบกว่า ทุกคนที <créer noise> animals, oh! ่จะไปก็ให้ถือถินแฝไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อไปเป็นตัวอย่างของขอจะไปสอนสเราจะไปมัวแตหากินข้าวกินน้านอนโรงแรมโอ้โหน่าละอายดิเรืนแนวทางคือว่าอาจารย์พาไปแนะนาสั่งสอนภาคปฏิบัติเราก็จะไป่ห่วงแต่เรื่องกินเรื่องนอนมันก็เกินไปดรอกฟังเอากรไดอ่าเดี๋ยวไ อาลางะมาลา